ธรรมิกะอุบาสกอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จประทับอยู่ในพระเจตวันกรุงสาวัตถีแห่งแคว้นโกศลของพระราชาประส e n ิทร่งปรารบซึ่งอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันว่าอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีจำนวนห้าร้อยคนในเมืองสาวัตถี มีอุบาสกหัวหน้าผู้เจริญที่สุดมีบุตรชายและธิดาอย่างละเจ็ดได้มอบหมายให้บุตรธิดาถวายอุปถากบำรุงหมู่ภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมิได้ขาดมีการถวายพัดข้าวต้มยาคูถวายสลากภพัดอุปโสติกภพัตในวันอุโบสถถวายปักิกภพัตในปักคือทุกสิบห้าวันอาคารตุกะพัดเพื่อภิกษุผู้จรมา ทวายวัสสาวาสิกพัชจีวรภิกษุผู้จำพรรษาเป็นต้นบุตรที่ดาทั้งหลายชื่อว่าเป็นอนุชาตบุตรได้เป็นแล้วประการชนีการต่อมาอุบาสกถึงความเสื่อมรอบแห่งสังขารเกิดป่วยลงจึงใคร้ฟังธรรมบุตรได้นิ ม, มนต์พระสงฆ์สาธยายพระสูตรชื่อสติปทานสูตรขณะพระกำลังสวดอันว่าราชรถทั้งหลายหกคัน จากเทวโลกหกชั้นประดับแล้วอาลังการอันเป็นทิพย์ด้วยร้อยแห่งโยต์เทวดาบญราชรถต่างเชื้อเชิญ อ, อุบาสกว่าจะนำไปสู่โลกของเราจงบังเกิดในโลกของเราอุบาสกกำลังตั้งใจฟังพระสวดจึงร้องขึ้นว่าหยุดก่อนรอก่อนภิกษุทั้งหลายหยุดสวดด้วยเข้าใจว่าอุบาสกให้หยุดบุตรธิดาทั้งหลายก็คิดว่าบิดาของตนเพ้อไม่ได้สติ ภิกษุทั้งหลายลุกจากอาสนะกลับไปแล้วสักครู่หนึ่งอุบาสกได้สติถามบุตรทั้งหลายว่าอันว่าเจ้าร้องไห้เพราะเหตุใดบุตรทั้งหลายจึงกล่าวว่าพ่อเพ้อหลงหรือพ่อห้ามพระสวดหรือเปล่าอุบาสกล่าวว่าพ่อไม่ได้พูดกับพระพ่อพูดกับเทวดานนทนเทวดายืนอยู่บนราชรถบนอากาศนนบุตรทั้งหลายจึงถามว่าจะไปอยู่เทวโลกชั้นไหนจึงจะดี ครั้นได้ฟังแล้วว่าอันว่าพบชื่อว่าดุสิตอันเป็นที่อยู่ของพุทธมารดาและอุบาสกก็อธิษฐานโยนพวงดอกไม้ขึ้นไปโยนไปแล้วคล้องซึ่งแอกแห่งราชรสชั้นดุสิตเทวโลกห้อยลงแล้วในอากาศอันมหาชนทั้งหลายมองเห็นแล้วแต่ไม่เห็นซึ่งรถอุบาสกจึงกล่าวว่าเห็นแล้วใช่ไหมอันว่าเราจะไปซึ่งพบดุสิต และอุบาสกก็สอนธรรมะแก่บุตรทั้งหลายว่าถ้าต้องการไปเกิดในภพดุสิตก็จงทาบุญทั้งหลายตามทํานองแห่งบุญอันเรากระทำแล้วนั่นเทียวเราทำกาละคือตายไปบังเกิดกายยืนอยู่บนราชรถภพดุสิตมีพันแห่งนางอับสอนแวดล้อมมีวิมานแก้ว25โห้ายอดพระบรมศาสดาตรัสแล้วซึ่งพระคถานี้ว่า อันว่าบุคคลผู้มีบุญอันกระทำแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ย่อมยินดีในโลกหน้าย่อมยินดีในโลกทั้งสองอันบุคคลผู้มีบุญอันกระทำแล้วนั้นเห็นแล้วซึ่งความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมยินดีในบุญอันกระทำแล้วนั้นย่อมยินดีทั่วดังนี้ข้อธรรมวิจัย สุขโขปุญญาสัุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้พระพุทธวจนะธรรมบทไม่พึงดูหมินว่าบุญแม้เล็กน้อยจะไม่มีผลธรรมบทบุญที่ทำไว้เองจะเป็นมิตรติดตามไปพบหน้ามิตรสูตรถ้าทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาป ธรรมบทการทำบุญทานการกุศลความดีทั้งหลายใช้กุศ ล, ลจิตดวงไหนในแปดดวงกระทาให้มันพิจารณาสังเกตพึงเพียรให้กุศลจิตดวงที่หนึ่งคือสมณสสสหคตังยานสัมปยุตตังอสังคาริกังกล่าวคือ ให้ยินดีในการกระทำกุศลพร้อมประกอบด้วยปัญญาและคิดเองไม่ต้องให้ผู้ใดกระตุ้นเตือนชักชวนทำละท่านอุทิศบุญกรวดน้ำแผ่กุศลไปให้สัตว์ไม่มีประมาณและทั้งเจาะจงถึงญาติที่ล่วงลับและเจ้ากรรมในเวรด้วยระลึกนึกถึงกุศลละก ร, รมดีนั้นไว้ตลอดชีวิตอุทิศบุญให้เป็นอัปาราปราเจตนาบ่อยเ น, อเนืองตลอดไป จิตใสใสเป็นบุญจิตคุนคุณเป็นบาปก็ให้รู้เท่าทันมันจนวินาทีลมหายใจสุดท้ายจ้องให้ดีนาทีทองแต่ก็ไม่ใช่จ้องเกินไปให้ปล่อยวางบุญอยู่ที่ไหนให้ไปที่นั่นแต่ถ้าไม่ติดบุญติดดีซะเลยดีที่สุดเพราะบุญยังไม่พ้นทุกบุญบังนิพพานอยู่ชั่วก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาบุญบังนิพพาน